กระต่ายกับเต่าเป็นเพื่อนกันทั้งสองมีนิสัยที่ต่างกันมากค่ะกระต่ายนั้นได้ชื่อว่าฉลาดเจ้าเล่ห์แต่เกียจคร้านประมาทและชอบดูถูกผู้อื่นส่วนเต่าในเรื่องก็ช่างเชื่องช้าสมชื่อแต่นิสัยที่ดีของมันก็คือใจเย็นอดทนขยนันและซื่อสัตย์ วันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่าเดินผ่านมาก็ น, นึกขันในท่าทางอืดอาดยืดยาดของเพื่อนจึงแกล้งร้องพักขึ้นอ้าวว่าไงจ้าคุณตาตนนุ๊กกำลังจะรีบไปไหนซะล่ะเดินซะเร็วเร็วเต่าตอบกวนๆกำลังจะไปแขกโอลิมปิกวิ่งพนผ่านไม้กระต่ายทำตาถล่มพูดใหม่พูดผิดเอ้ยพูดผิดพูดใหม่ได้นะ ลองมาซ้อมกับฉันดูสัหน่อยก่อนรอเอาอะถ่านชนะฉันได้แล้วเคยไปตามความฝันดีกว่าไหมเต่าได้ยินกระต่ายท้าดังนั้นก็ตอบตกลงทันทีเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าแม้จะเดินช้าก็สามารถเข้าเส้นชัยได้เช่นกันและต่อไปก็จะได้ไม่ถูกสบประมาทอีก ข่าวการแข่งขันได้แพร่สะพัดไปทั่วผืนป่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ต่างให้ความสนใจกันมากและในวันนัดแข่งขันม้าดีด ก, กะโหลกก็อาสาขอเป็นกรรมการเพราะเชื่อมั่นว่าเสียงร้องของตัวเองนั้นดังไม่แพ้เสียงนกหวีดหนึ่งสองสา เตากับกระต่ายทะลึ่งออกจากเส้นชัยในทันใดโอ้โหดูท่ามันสิคะกระต่ายกระโดดไปหัวเลาะไปเห็นฟันหลอซะด้วยส่วนเตาก็คลานตุ้มเตียมตุ้มเตียมไปช้าชแหมชอบจริงๆเลยค่ะท่าเดินของเตาน่ะเตาสู้ๆเาเสียงเชียเตาสู้สู้ เต่าสู้ตายดังอยู่อย่างไม่ขาดสายเลยค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าใครก็ตามที่นิสัยดีคนนั้นย่อมเป็นที่รักของเพื่อนไม่ได้ยินเสียงเชียร์ให้กระต่ายเลยค่ะเป็นเพราะคงไม่มีใครชอบพวกคุยโวโออวดและดูถูกคน กระต่ายวิ่งไปจนเกือบจะถึงเส้นชัยแล้วเหลียวหลังไปไม่เห็นแม้เงาของเจ้าเต่าเลยมันหยุดยืนหัวเราะอยู่จนท้องแข็งมันเริ่มปวดท้องก็ลมเข้าไปอยู่ในท้องมันเต็มไปหมดตั้งแต่ตอนที่มันวิ่งหัวเราะออกจากเส้นชัยจนถึงตอนนี้ไงคะรู้สึกอยากจะผายลมสักกนหน่อยจำต้องแวะเข้าข้างทาง หาสมทุมพุ่มไม้เหมาะเจาะเพื่อผ่อนหนักผ่อนเบาขออ ย, อยัางช่วพอทำธุระเสร็จก็หิวหละทีนี้มองไปด้านทุ่งฝั่งกระโ น, น้น มันส่งเสียงร้องจ๊อกจ๊อกจ๊อกจอกหันไปดูเต่าให้แน่ใจอีกทีก็ไม่เห็นมีมันเลยชะล่าใจกระโดดแนบออกนอกเส้นทางไปกินแครอท อ, อ, อะไรจังเลยพออิ่มท้องก็พลอยหลับไปดังสำ น, นวนที่ว่า เมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนขณะหลับน้ำลายก็หยดติ๊งติ๊งลงบนใบหญ้าหน้าช่างมากเคียวค่ะทันใดนั้นเจ้าเต่าหลังตุงก็มุ่งหน้าเดินผ่านมาอย่างไม่ลดละ เสียงเชียร์ของบรรดาเพื่อนๆที่รอยอยู่ใกล้ๆเส้นชัยดังพื้นสนันวันไว้แล้วค่ะเต่าสู้สเต่าสู้สเต่าสู้สแต่แปลกแฮะที่เจ้ากระต่ายยังนอนหลับตาพริ้มอยู่ได้อ๋อก็มันกําลังฝันหวานว่าตัวเองวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมเสียงเชียร์ของเพื่อนๆ น, นั่นเองอีกไม่กี่ก้าวเท้าเต่าก็จะถึงเส้นชัยแล้วล่ะ เจ้ากระต่ายไปอยู่ซะที่ไหนนะเพื่อนๆนต่างร้องเรียกด้วยความฉหงนเจ้ากระต่ายหายไปไหนเอ๊ะเจ้ากระต่ายหายไปไหนกระต่ายหายไปเจ้ากระต่ายหายไปเสียงเรียกหาของเพื่อนๆพื่นทำให้กระต่ายเริ่มเอะใจในฝันของมันพลันก็สะดุ้งตื่นหันหน้าเลืกล็กวิ่งกระโจนออกไปที่ถนนมองเห็นเต่ากําลังจะก้าวเข้าสู่เส้นชัยมันกระโดดจนสุด แรงเกิดแต่ดูเหมือนขาทั้งสองของมันไม่สามารถคีกันเสียแล้วนึกถึงภาพคนตกใจสิคะกระต่ายก็เหมือนกันมันมีสภาพคล้ายคนสติแตกยังไงยังงั้นเลยวิ่งกระเจิดกระเจิงตุปัดตู้เป๋ไปมาจนเพื่อนเพื่อนากันลั่นปาว่าไม่ทันเสียแล้วคะ่ะเต่าเข้าเส้นชัยไปในที่สุด เรื่องยังไม่จบนะคะเจ้ากระต่ายเพื่อนยากกําลังเดินคอตกมาท้งเจ้าเต่า เ, 1, เออต่อหิดไปแล้วขอโทษที่นะพี่ฝอประมาทตายไว้จะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วเจ้าเต่าน<ๆ>ี่ก็แสนจะเป็นพระเอกจริงๆค่ะมันเขย่งขึ้นกอดคอแล้วปลอบกระต่ายว่าเฮ้ยเจ้าตายเพื่อนรัก เราจะชนะนายหรือนายจะชนะเราก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเลยเพราะเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราต้องสองทำได้ก็คือการชนะใจตัวเองไายนายก็ทาได้สำเร็จแล้วนี่ชัยย้ชยทั้งสองกับมือกันชูขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะ นิทานจบลงแล้วค่ะแม้เจ้าเต่าสรุปนิทานได้ดีเหลือเกินแต่แม่ขอเสริมนิดนึงนะจ๊ะว่าในชีวิตคนเราไม่ว่าจะเต่าหรือกระต่ายก็ย่อมมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวเองทั้งนั้นมิตรที่ดีต้องทำหน้าที่เป็นเสมือนกระจกเงาคนดีเมื่อเห็นเพื่อนทำผิดก็ต้องรีบตักเตือนและรู้จักให้อภัย ส่วนคนผิดก็ต้องรู้จักสำนึกผิดและปรับปรุงแก้ไขตัวเองจำไว้นะจ๊ะชนะอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตัวเองจ้า